กางแรกของปีใหม่ต่างๆทุกท่านก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเป็นที่บรรดาสุประโตกิจการอย่งนี้ก็จะทำางันขึ้วันเราไปจอแล้วทำประจาตอนปีสี่ก็ประมาณขึ้นชั่วโมงก็จะเทศของหลวพ่อเพราะไม่จะเทการเทศของผมก็ไม่จะเป็นการที่เหมือนกับ ตั้งสติให้กับพวกเราว่าวันนี้เราควรจะทําอะไรกันดีคําว่าตั้งสติกับพวกเราก็คือเหมือนกับหลวงพ่อก็จะชี้นํำนะอย่างเมื่อวันที่กลับไปจัดเดมอนฟาร์มเมื่อเมาวันที่ฤาษีหาเช้าวันสุกหรือว่าพระจะเทวะก็บอกบอกว่าเออเราเนาะถ้าป่วยการก็หาหมอถ้าป่วยใจก็ต้องไคทํา เราต้องรีดอกจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าสอนพ่อเทศน้ำอานี้ดอบันดัเราก็อาจจะลองดูเรามีใจที่ป่วยว่าไหมเหมือนกับอย่างช่วงที่เราไม่ได้เจอเลยเนาะสองสามเดือ่อก็ัมีเรื่องน้ำท่วงใช่ไหมครับพอท่วมทุคนก็ป่วยใจอยู่างต่างต่างนะป่วยกายเหมือนไม่ค่อยเท่าไหร่งีไหมครับ ใช่ไหมฮะเหมือนกับโรคภัยไ้เจ็บที่มากระด้างลูกเราไม่ค่อยเปียนเทียนเท่าไหร่นะจะเป็นอย่างก็คือจะปวดใจก็เมื่อจังถึงเรื่อกที่ผ่านมาก็มาอ่านขเขาเขียนมาเช่นมาตรวจรังการตเป็นเรื่ที่หมอขอติดตางแต่ว่าสิ่งที่นำมาพัำไม่ว่าจะเป็น ปัญหาอะไรเนี่ยก็ก็ก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับทม่ใช่ว่าของที่ขนย้ายไม่ทันสูกน้ําท่วมบ้างว่านึกไม่ถึงว่าน้ำจะท่วมแล้วก็น้ําก็ท่วมบ้างปรากฏว่าน้ําท่วมไปแล้วเสียหายกันมันก็มีเรื่องมันก็มีเรื่องความรู้ใหม่ๆที่มากับน้ําท่วม อาทิเช่นที่นิทรรศนาปิยกรรมที่ทมูลทิพย์หวงพ่อเทียนก็จะมีเรื่องว่ามันจะมีเดี๋วนี้ก็จะมีวัสดุใหม่ที่เรียกว่าเป็นพื้นเป็นพื้นแทนมนะ้เหมือนไม้เทียนนะพวกคอนบูดอะไรยเงี้ยปรากฏว่าไม้พวกเนี้ย ม, มันไม่ทนน้ำ น, นะคือมันแค่อยู่ในน้ำนานเป็นเดือนเนี่ยปรากฏว่าเหยียบมา แต่ในขนาที่ชื่อนนะหมายถึงว่าพออย่างที่บริษัทผมก็เหียนนะว่จะเป็นเหงินกับว่านักท่านที่อยู่ดูแลบริษัทเนี่ยพอน้ํำลงปุ๊บพวกก็จะขัดเลยก็คือเหมือนกับว่าอาศัยน้ํนนนะาำธรร้ดา่ะไม่ทันขาดขัดเลยปรากฏว่ามันก็มีกุดใหม่ๆที่ทำด้วยไม้เทียมปรากพอเทียมปุ๊บเนี่ยข่ะนะแล้วท่านก็ปิดใต้ไว้ว่าอันตรายระบัดขาดจะไม่ให้ <laughs> แต่ว่าถึงวันนี้เนี่ยพ อ, อน้ํานมันลดไปเป็นเดือนแล้วปรากฏว่า้ความแข็งแรงมันคือขึ้นเยียดไม่หแล้วแต่ท่านก็ยังไม่ได้เข้าไปอีกเพราะนั่นคืว่ามันมีคุณที่ต้องดูแลทำความสะอาดอยู่เะยะใช่ไหมตรงนั้นก็เป็นคุณหมท่ที่ที่ใช้ที่อย่างก็บอกว่าระวังมันอย่าไปเยียมยมันหักใช่ไหมปรากฏว่าพ่จริงๆพ่อพ่อหม่งแบบมันไม่ได้ออกแบบมาสนุกมากเพื่อเพื่อให้คน แต่ออกแบบมันสรุมาเพื่อเพื่อมันเป็นความแข็งพอเจอน้ำแค่นามีปัญหาอันเนี้ยก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าพอเราอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะไม่ให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางทีเราดูเราเห็นแล้ก็ไม่ค่อรู้จักนะจนกระทั่งมันมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมันก็ทำให้เรารู้จักในสิ่งต่างๆนานาแบบนี้ดีทุกการปฏิบัติธรรม สำคัญที่สุดเลยนั่นคือเรื่องเนี้ยนั่นคือเรื่องที่ว่าเราอยู่กับกายกับใจนี้เนี่ยแต่เราไมค่อยรู้จักใช่หมนั่นนั่นคือครูบาอาจารยเนี่ยก็จะบอกจะบอกอ่าก็เรียกว่าให้กรรหาให้กรรมฐานพวกเราเลยแบบว่าให้ดูการเคลื่อนไหวที่ดูใจคิดนึกอรอย่างเงีช่ไหอันนี้คือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคือการให้สรมมฐาน เพียงสามคำนะใช่ไหมครับให้ดูกายเครื่อนไหยให้ดูใจคิดนึกจะแค่นี้เองปรากฏว่ามีเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือมีการดูดูอะไรบ้างดูกายหรือดูใจนะครับใชวันนี้เรื่องจบล้วครังนี้เองวันี้ว่าสิ่งนี้ยจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็เกิดขึ้นจากการที่พวกเราต้องหันใช่มครัเพราะว่าเราอยู่กับร่างกายมานานแต่เราไม่เคยรู้จักเํานะครับไม่เคยรู้จัก เพื่อจะรู้จักเขาได้ไยก็ต้องก็ดูต้องดูเขาในการดูเนี่ยเราเมื่อก่อนคําว่าดูคือเรดูด้วยตาพอดูด้วยตาเราก็ดูกไปข้างนอกใช่ไหมครับเราไม่ได้ไม่ที่หักที่จะดูกลับมาข้างในตัวคําว่าดูตัวเนี้ยก็คือเราเนี่ยเขาจะใช้สตินะครับเตือนตัวเองเมื่อเราได้ดูกลับมาข้างในอะไรเกิดขึ้นตาเห็นรูปใจรู้สึกยังไงใช่ไหมครับ อย่เนี้ยเราเนี่ยได้สังเกตดูใจรู้สึกยังไงถ้าหากว่าเราได้ดูแบบนี้อยู่เป็นประจำเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความจริงของชีวิตที่เราไม่รู้อันที่เรื่อของแบบเดียวกันวันนี้ชอบอาจจะไม่ให้วันที่มีไม่ชอบนะแต่สี่เดี๋ยวทผ่อาจจะไม่ชอบอะไรเลยของแบบเดียวกันอเี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเหมือนกับมีโน้ตบุ๊กสักพันนะ เกิดทำไรเาเดี๋ยวเราเถอชอบอันนี้เดี๋ยวเราก็เถอไม่ชอบอันนี้เดี๋ยวเราก็เถอชอบอันนี้เดี๋ยวเราก็เถอไปชอบอันนี้มันจะเป็นการยิงหามว่าใจมันเป็นแบบไหเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบของแบบเดียวกันของอันเดียวกันเปลี่ยนมองไปนิดนึงเปลี่ยนเวลาเป็นหน่อยนึงอะไรจะเห็นซึ่งตรนี้มันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่านี่คือความจริงของชีวิตนะให้ผ่านเข้ นะใช่ไหมครับนะเราอยู่รับทําท่างหลายท้าโคงไมเที่งยงจะเนคืออย่างเนี้ยแต่ว่าความเป็นมาที่กเราเนี่ยก็เรียกว่าหลงอยู่บนความลงนะพอเราชอบเราก็เขาเรียกว่าผมปักหมปากนะยึดเอาความชอบตัวเนี้ยก็เรียกว่าเป็นโจนเป็นตกใช่ไหมครัแต่เราก็เหมือนกับไม่ได้สรุปบทเรียนว่ที่ชอบอย่าเราก็ไม่ชอบอย่าเนี้ยใช่ไหมที น, นี้ทําพูดเราบอกว่า ไอ้ที่เดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบในของอย่างเดียวกันเขาเรียกว่าความชอบมันไม่ถูกต้สงเพราะเดี๋ยวมันชอบจะแม่เดี๋ยวมันก็หายใจกายเป็นไม่ชอบแล้วเดี๋ยวความไม่ชอบก็หายใจกายเป็นชอบอีกอย่างเงี้ยนะสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาเอาเนี่ยอาวางได้มันไม่เที่ยงเลยอย่างเงี้ยนะซึ่งตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามัน ไม่ชอบก็อยากทิง้งซะเหลือเกินอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอีกนั้นเลยคนไม่ได้มันทนไม่ได้มั น, น, ไไมนต้องทําอะไรสักอยาก่างคําว่าทนไม่ได้ตรงนี้นะทางพูดเราก็เรียกว่าความเป็นทุกข์ทนไม่ได้ทนไม่ได้ที่เพื่อนไม่ชอบคนที่ขาดที่เพื่อนไม่รักทนไม่ได้ที่เพื่อนไม่พูดด้วยทนไม่ได้ที่เห็นอะ้รนี้อยู่ข้างหน้าอะไรอ ย, ย่างเงี้ยนะฮะใช่ไ้มฮะอันนี้ก็เรียกว่าความเป็นทุกข์ ม, มันก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมนะความไม่เที่ยวความเป็นทุกข์นะฮะ ความไม่มีตัวตนทั้งหมดมันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ที่ว่าเราจะมองแบบไหนตรงเนี้ยคาว่ามองแบบไหนนี่ก็คือเมื่อไหร่ที่เรากลับนะฮะมองกลับมาด้วยความมีสติเนี่ยมองกลับมาดูที่ใจเรามองกลับดูที่ใจเราตรงเนี้ยเขาเรียกว่าพุ่ธเจ้จะบอกว่านั่นแหละเป็นสิ่งที่ถ้าเราเห็ความจริงตรงนี้ในชีวิตเราเนี่ยเขาเรียกว่าเราจะหลุดหลุดออกจากผู้สุขจะหลุดออกจากสิ เราเป็นทวกข์อยู่ส the ิ่งที่เราหลงอยู่ตรงนี้นี่ก็คือสิ่งที่บอกว่าเป็นกรัมหาที่ครูบาอจารย์ให้ไว้ว่าเราใช่ไหมฮะที่หลวงพ่อเทียนเนี่ยเราจะบอกว่าเราฝึกการดูนะด้วยการที่เราสร้างความเคลื่อนไหมขึ้นมาพอเราสร้างความเคลื่อนไห่ขึ้นมาเนี่ยเมื่อไหร่มีการเคลื่อนไหวก็ให้มีการกลับมาดูเมื่อไหร่มีการเคลื่อนไหมวก็ให้มีการกลับมาดูตรงเนี้จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ก็ได้สรุปบทเรียนครับสรุปบทเรียนสา่ารถสรุปบทเรียนก็คือครูบาอาจ า, จำำารย์ก็ทํากรรมฐานมานานแต่พอครูบาอาจารย์จับตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยครูบาอาจารย์ก็จะทิ้งสิ่งที่เคยทํามานานๆแล้วไม่ได้ผลมาบอกสิ่งที่บอกว่านี่เราจะเป็นเสียเวลากันอย่างนั้นเลยเรามาทํางนี้กันอะไรสิเนี่แต่ไม่ไหมายถึงว่าอันนี้มีอย่างอืนะ่นแต่ว่าหนูก็เรียนพบ ว, ว่าตัวเองแค่ แล้วก็เ <imir> มื่อเราเอาสติมาดูกับความเคลื่อนไหวอยนี้ในขณะที่เรากำลังดูความเคลื่อนไหวอย่างนี่ยเรากาลังตั้งใจเคลื่อนไหวอยู่ปรากฏว่าในขณะที่เรากาลังดูนี่เราก็เห็นอย่งที่คิดนยูอย่างนี้กมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนๆกันกับเวลาที่เราดูอะไรสักอย่างบางทีเรากําลังสนใจกระเป๋าใบนี้ใช่ไหยฮะในขณะที่มองกระเป๋าใบนี้ก็เห็นว่าอ๋อมีเชื่อมีการสะทินสีแดงตาเรามันก็ไม่ได้ว่ามองเห็นอย่างเดียว บริบทข้างๆไปด้วย อ, อย่างนี้ฮะนี้ก็คือสิ่งเป็นสิ่งที่ฤฤทครูบาอาจรารย์ก็เหมือนกับให้เราลองนอดูดูลองทําอย่างนี้ลองเนีไม่ต้องทำอย่างอืนอนะใช่ไหมฮะแต่ในขณะที่ทําอย่างนี้มันจะเห็น อ, อย่างนีง้กันก็เี้เป็นผลคอยซึย่งตรงเนี้ยเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากเลยเราอาศัยการที่เคลื่อนไหวเป็นตัวเจรจเป็นตัวก็เจรจทยทียว่าเติอสติให้เราได้ดูใจที่คิดนี้เพราะว่าสิ่งที่เป็นปัญหา หลวงก็ต้องเขียนก็บอกประมา้มากเข็งแค่ความคิดเนี่ยก็ทําให้เราทุกข์นะเป็นอย่างนั้นหะตเปล่าเพีงแค่ความคิดหรือเปล่าหรือไอ้ความคิดมันยิ่งใหญ่ก็ได้เกินที่แม่ว่าผลหรับเราแล้วความคิดมันใหญ่จะได้เกินหลวงพ่อบอกว่ามดนะมันยังมีโตมีตนนะความคิดมันยี่ตีโตมีตนหลวงพ่อเรื่ยวตัวที่สอง เพะนั้นค uh, uh. uh. so, uh, so, yeah, ือเราเลึกดูนะฮะนี่เทำมาเนี่ยดตัวเล็กนะหล่อบอกว่าเดวนี้เราจะเธอโกรดให้กับมดไหมอย่างเงี้ยหลว่อบอกว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าทีทีมันมัแค่เอโกรดให้กับดนแค่คิดขึ้นมาเราก็ตกแล้วแค่คิดขึ้นมาล้วก็กรธแล้วแค่คิดขึ้นมาก็แล้วอย่างงี้เพราะฉะนั้นี่คือตรงนี้เราเนี่มองเห็นตัวมาจารกรชี้เราเห็นนเป็นถ้าเราคิดตรงนี้หึือเ ความคิดตรงนี้แหละที่บอกว่าในขณะที่เรากําลังตั้งใจดูอยู่ที่ เ, เราก็เห็นความคิดใช่ไหมครับตรงนี้นในขณะที่เราเห็นความคิดเนี่ยเราเป็นไงเราก็เห็นความคิดเป็นตัวเป็นตนความคิดที่ผ่านมาชอบใช่ไหมฮะไอเขาเรียกว่าใจคิดมาคอยดูความเคลื่อนไหวของใจเนี่ยมันก็กระโดดไปเกาะความคิดจรงนี้ใช่ไหมฮะไหลเรื่องของความคิดสิ่งที่เรากําลังตั้งใจอยู่เราก็เลิกทำใช่ไหม ในขณะที่พวกเราพวกเรานะกรรมฐานพวกเราพวกเราวิจารู้นะใช่ไหมฮะมีการยกมือในขณะที่เรากำลังยกมือไปแล้วไม่ยกมือไปอัตโนมัติเพราะมัเรื่องจิตใจมันไปอยู่ความเคลื่อนใช่ไหมฮะอย่างซึ่งตรงนี้เราก็เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่มิสัยนั้นเราเียกว่าน่สัยของจิตมันก็มีนิสัยของเรื่องบ้างมันมีนิสัยที่ไม่น่าตํานาเดียวกันจิตมันก็เป็นธรรมะ มันก็เป็นทุกข์มันก็ผลไม่ได้ไอ้การที่จะบังคับให้มันอยู่กับการที่เคลื่อนไหวอย่างเดียวมันก็ทําไม่ได้เหมือนกันมันก็อยากที่จะไปอยู่ของความคิดบ้างเข้าใจไหมนะตรงนี้ก็เป็นวิสัยของเขาแต่ว่าทําเราเดียวกันอันเนี้เราก็กำลังหักเขาหักเําว่าไม่เป็นไรนะเมื่อก่อนเราไม่เคยหัก็ปล่อยไปตามความคิดเลยแต่ว่าตอนเนี้เราไม่จะหักก็แบบว่าอืหักจับอยู่ความเคลื่อนไหว อาจารย์ที่จะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าใจทีกคิดนึกไปเนี่ยก็ใหเรากลับมาอยู่ความเคลื่อนไหวมเมื่อไหร่ที่เราคิดนึกไปมันก็กลับอยู่ความเคลื่อนไหวมาอันนี้ก็คือหักเพื่อให้จิตเนี่ยมีนิสัยนะฮะมีนิสัยใหม่นิสัยที่จะกลับมาอยู่ความเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อไหร่เนี่ยที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยจะเป็นการที่เราสร้างความเคลื่อนไหวขึ้นมาประามจะเป็นการประทิตาอ้าปากปรามที่เป็นไปตามอัตโนมาติตรงนี้ มีความเคลื่อนไหวนั้นจิตก็จะกลับมาถ้าจิตเขามีสัมฤทธิ์ที่จะอยู่ความเคลื่อนไหวจึงเป็นที่เราเรียกว่าจิตสัมฤทธิ์นะครับในหนังสือสรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่านี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราเนี่ยความเพียรของเราไม่ต้องเพียรอะไรนะเพียรกลับมาจากความคิดเพียรสัมันธ์จากความคิดนี่คือก็อเรียกว่าโอภัณฑนาการภาวนาไม่ว่าจะภาวนาด้วยอยะไรยังไงก็ตามจะภาวนาด้วย ยุกน้องพองน้องจะภาวนาด้วยอะไรยังไงก็ตามองภาวนาจริงจริงเนี่ยก็คือการทีกลับมานะกลับกลับมาจากความคิดกลับมาจากความคิดตรงเนี้ยสิ่งที่เราหักเราหักเราหักสิ่งนี้เนี่ยหักเบี่ยเบนเนี่ยก็ เ, เรียกว่ามันจะเป็นนิสัยเป็นนิสัยขางจิตแล้วตั้งแต่นั้นถ้าเราเป็นนิสัยแล้วเนี่ยการที่เราจะเอาสติเนี่ยคอยที่จะทําเรื่องนี้ก็ไม่ต <logical S 2> <ๆ>้องก็จะกลายเป็นนิสัย มีความเป้าหมายเมื่อไหร่ก็เกิดจะไม่หายใจหี่จะกลับมาไม่ว่านิสัยจิตเขาจะเป็นนิสัยที่ไม่หยุดนิ่งเขาจะไปบ้างแต่เขาก็กลับมาเขาไปบ้างแต่เขากลับมาตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามันคือผ่านตัวบางทีนะก็คิดถึงอดีตบางทีเราก็คิดถึงอนาคตแต่เมื่อไหร่ที่เรามองเห็นจุดนี้ว่าความคิดที่เกิดขึ้นพอเวลาที่ ใชจิต ม, มีสํานึกที่จะกลับมาอยู่กับการภาวนาในแบบไหนก็ตามเห็นที่ทางหลวงพียนูบอกว่าอยู่กับไก่เคลือนไหวฉับพลันนั้นะครับเาเรียกว่าเมือหาหาหาหา่อเราเห็นด้วยวิธีบอกว่าทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าใหญ่แจ่แจ้งแว๊บเดียวตรงนั้นที่เราเห็นเขเรียกว่าเราจะทําไปบลอดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยสติก็ไม่ได้ตั้งมั่งอยู่ตะลอดไป เพรานั้นนี่คือตรงนี้ครับการที่เราทําให้เกิดทําให้เกิดสภาวะที่เรียกว่ามีการกลับมาตรงนี้บ่อยๆบ่อยๆนะสภาวะนั้นเราลองสังเกตดูนะว่ามันจะเป็นสภาวะที่เราจะไม่มีทุกข์นั่นนี่คือถ้าเรากลับมาบ่อยเท่าไหร่ความไม่มีทุกข์ก็มีมากขึ้นก็กลับกลับมากขึ้นนั่นนี่คือตรงนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ดีตรงเนี้ครูบาจารจะบอกให้เราลองแยกลองแยกออกลองแยกออก อันนี้เป็นเรื่องของการนี้เป็นเรื่องของใจใช่ไหมฮะเราอยู่แยกออกก็มันเป็นเรื่องๆเพราะเมื่อก่อนชีวิตนําจะสับสนปนเปรียหมดนะเรื่องค้างรอบตัวเรื่องในตัวใช่ไหมฮะเรื่องเล่นสารานั้นนี้เป็นปนเปไปหมดเพราะนั้นก็ถึงตรงนี้ว่าการที่ครูบาอาจารย์ตั้งรำถามที่บอกว่าเราดูเราดูการที่เคลื่อนไหวลองดูใจที่คิดมีผู้ดูเกิดขึ้นมีกายอยู่ส่วนหนึ่งมีใจอยู่ส่วนตรงนี้ฮเราลองดู เวลาที่เราทํากรรมฐานเราจะพบว่าถ้าเราดูกายมาเป็นบ่อยถ้าเราดูใจมาเป็นบ่อยเดี๋ยวเราก็รู้เรื่องการมากขึ้นเดี๋ยวเราก็รู้เรื่องของใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นนีคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยนลวงพ่าเหจะได้สรุปบอกว่าถ้าอะไรที่มันเป็นทุกข์ที่เกิดกับกายเราก็ดูแลรักษาไปแต่ถ้าอะไรที่มันเกิดขึ้นกับใจเราใช้ธรรมะงั้นการใช้ธรรมะคือการปฏิบัติธรรมก็คือการกลับมา เพรนั้นเองเพียนที่จะกลับมาจากความคิดคิดไปกลับมาคิดไปกลับมาเท่านี้เองนั่นคือการเยียวยาความทุกข์ที่อยู่ในใจนนั่นคือตรงนี้ยนะว่าเราลองดูนะว่าเรานี่ใช่ไหมครับผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความทุกเนาะของน้ำท่วมเนี่ยตอนน้าท่วมพวกมุงจะทุกข์กันส่งมากหรือเปล่แต่ความทุกตรงนั้นตอนนี้ยังเหลืออยู่มั้ยไม่เปลี่ย แต่พอคิดไปปุ๊บก็เสื่อนะใช่ไหมฮะทั้งตอนอี่น้ำก็ต้องแตะน้อง <c oughs> ใช่ไหมฮะพอคิดไปโอ้ยนะต้องเสืเน้องแต่ว่าแต่ว่ามับอกว่าเเรื่องทั่วตัเองนี่ก็ดีแล้วนี่ก็คือนี่ก็คืออันนี้ก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่นอนใช่ <c oughs> ไมฮะเดเนีที่มันก็เป็นเรื่องแบบเนี้ยคือครูมา์ครก็บอกชัดเจนสุดมากนะฮะเห็นชัดเจนสมากเลยว่าคือเรื่องมันมีเท่าที่จริงที่เราอ่ะ ให้คิดก็เป็นทุกข์ละไห้คิดก็เป็นทุกข์ละอย่างเงี้ยสมงเนี้ยอันเนีคือสิ่งที่ที่คือคำสอนนะของพุทธเจ้าเป็นคําสอนที่ไม่้านกมัยนะฮะใส่รวมก็้าไปในเหตุการณ์ในดๆเนี้ยได้ทั้งหมดเลยแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าเราสวนมนบรรชาเนี่ยเราก็ก็เรียกว่าได้ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่ออะไรนะเป็นไปเพื่อดับคุเป็นไปเพื่อ ความสงบเย็นอนะไที่เราเลียมาปันจุัานหนังสือตรองี้น่าทุกคาสอนของพรนะพุทธเจ้าเนี่ยก็จะเป็นไปนี้ชี้ให้เราเห็นอย่างบางทีนะก็มีคำว่าอุปท า, านขัดท่าท่าเป็นคนทุกข์คว่าอุปท า, านขัดก็คืออี่าทเช่นเนาะใส่ตาไปกระทบรูใช่ไหมฮะรูนี้ถูกใจใช่หมฮะอยากได้มาจะเป็นทุกข์รูนี้ไม่ถูกใจอยากได้ไม่อยากได้ก็เป็นทุกข์ ประธานของใจชาไม่เห็นเกิดความทาอดความไม่ชอบเราลองดูดูนะว่าอย่า ง, า น, ง, า น, งานี้ใช่ไหมถูกไหมฮะอย่างเมืเ่อเดินที่แล้วที่ไม่ได้เจอจกนันก็เป็นเพราะว่าไปเดินไปเดินผู้ดง <c ười> ไปเดินผู้ดงบนทางผู้ดงใึ่ไมันก็จะมีแบบว่ามีผู้ร่วมเดินด้วยกันหรอมีพระจานนานนันทร์น้คหนา มีพระไปห้าลูกมีแม่ชีไปสี่นะฮะแล้วก็มีโยมไปอีกสี่บ้านสามบ้า ง, างนะ mm hmm. ก็ปรากฏว่าดีเราก็เดินไปพอเราตั้งใจเดินใช่ไหมครัเราอยู่กับการเดินเราก็จะเหมือนกับว่าภาวนาภาวนาไปด้วยกลับมาดความเป็นไปของกายของใจมันก็ไม่มีอะไรท้ามกับมียาผลเดินแต่พอเดินมันก็จะทําให้เกิด อ, อะไรขึ้น เดี gained gained resonate, gained ๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดียว่าหายปวดเดี๋ยวก็หายเมื่อยอย่างนี้ถามไปอยู่เท่านี้ก็ไม่ีะร็นการปวดกัรเมื่อยแค่ถามว่าบางทีเนะบางทีเดินขึ้นเดินขึ้นอ่าเขาเรียกว่าเดินสึ้นเนินเนี้ยเดินกาเดินขึ้นเนิเนี้ยมันจะสังเกตทัดมากเลยนะเมื่อไหร่ทิ่ตามเราเนี้ยมองไปที่เดินนะมันน่าจะเมื่อย ก็พาเรากลับ่าใช่ไหมคะเราไม่มองเดินกับตามองมองเท้าที่เราเดินก้าวไปให้ความเมื่อก็หายไปคือคือมันเป็นเท่าไหร่พะมากตาเราว่ามันเป็นกระทบแล้วโอ้โหเดินขึ้นสูงหรือยังใช่ไหมใจอะไรก็ไปละหรือยังหรือย่างี้มันก็เป็นแบบนี้นะคือเราไม่ได้เห็นตำรับเทคนิคตำรับตัวอื่นว่าที่ของมันเปนที่มีตัวตนมันไม่มีตัวตนจริงๆแล้วกลับมาเออเมื่อกี้นะเมื่อกี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าไปตอนนี้มันไม่มีแล้วอะไรอย่างเนี้นะ หรือแมกระท่งบางทีเนี่ยพอเวลาที่เราเหมือนกับใช้กําลังขาใหม่ๆใช่ไหมบางทีการเดินเนี่ยโอ้ยเรารู้สว่าโอวันนี้มันปวดเลยจังเลยแต่ปรากฏว่าพอเดินไปสักหน่อยหรือพอเคลื่อนติดอะไรคล้ายเคลื่อนติดนะขาเสติมไม่อที่กำลังในควาให้วยควาปวดเนี่ยไม่ใช่ความร้าวขายอีกละอะไรอย่างเงี้ยสมงนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเราก็ได้เห็นมันมีเดี๋ยวมัน ฟังท so so so like, so ั้งบ่ายทัางวันทั้งบ่ายได้เลยก็มันก็เป็นสิ่งที่มันเหมือนกับว่าเราก็ได้ยืนยันนะสิ่งที่พระอาจารย์ได้บอกกับเราความไม่เที่ยงความไม่นทุกทั้งหลายหลตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เหมือนกับว่าเราต้องมีนิสัยจะมองกลับมาก่อนถ้าเราไม่มีนิสัยที่จะมองกลับมาเนี่ยเราก็จะเห็นต้นฮักต้นไม้อะไรเลื่อนไปนะครับใช่ไหมฮะนี้เห็นภูเขาเห็นผ้าที่เลื่อยไปอย่างเงี้ยฮะนั่นคือมันจะเรื่องที่ต่างสายตา พอใช้ตาใช้หูเหมือนกันนฟังเสียงก็ที่ตลบที่สุดคือดีมีอยู่วันก็ประกันเต็นประกันเต็นนอนใช่มครัประกันเต็นนอนถึงวันนั้นเป็นเป็นนอนอยู่หลงตาแก็เป็นนอนอยู่กลาตาแล้วก็ประการเต็นเข้าเข้าเข้าเต็นเสร็จเรียบร้อยยังไม่ถัดก็คือเสียง แบเรกว่ามีอะไรสักอย่างเกษตรดีใจนะแต่ฟังงูแรกนะเขาก็นึกถึงอะไรสักอย่างหน่งที่มันจะต้องเป็นตับมีผนเนี่ยได้เลยนึกถึงแบบแนึกปุ๊บเลนะนึกถึงารที่มาปฏินึกถึงมันก็ตั Is that right? ที่ท่านบอกวนะ่าเนี่ยลองดูเนี้ยเราสวดกันทุกบ้นทุกบ้านทุกว่านเราลองดูนะว่าใช่ทุกบา้กบานีช่ไหมตาเราเนี่ยทำให้เราหนะูเราเนี่ยทำให้เราฟุ้งทุกบา้านก็มีเรพุทธการแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่บอกว่ามีพ่อค้าคนหนึ่งนะไปขายของปรากฏว่าเรือล่มแล้วก็ลอยอยู่กลางทะเลลอยอยู่ไหลมันแล้วก็ ต่เกีรกายขึ้นฝั่งก็ได้เสื้อผ้าก็ไม่มีปรากฏว่าที่ทอินเดียพอคนไม่มีเสื้อผ้าก็นึว่าคนไม่ยึดมั่นถิ่มั่ <laughs> เป็นอรา ห, ารหอออ <laughs> ันต์แน่เลยเยอะแยะไปยึดมถิมันไม่เอาอะไรแล้วอย่างีอาง้อ่ะ่ดอีกก็ปรากฏว่าผู้คนสนับ มีพระอานนท์จริงๆมานะก็ไม่ว่าอยู่ห่ า, างไกลมากนันก็เลยแบบเรียกว่าสะเก็ดสะการมาเจอพระุทธจ้าก็เห็นบอกว่าใชาย้ยุทธานายนานมากแต่ว่าภาพที่เหมือนกับที่พิพากษาตัวเองก็ไปหาอยู่นะฮะแล้วตัวเองก็้วถูกคนอื่นยิบหยิบตําแหน่งนั้นให้แล้วก็ตัวเองก็รู้ว่ามันไม่จริงอย่างนี้ยใช่ไหมก็ปรากฏว่าเจอพระพุทธเจา้ากําลังเดินปีนบ่าทีนึงก็ตรงก็ <c oughs> <c oughs> บอว่าให้แบบว่าช่วยให้ทาให้เขาดีบอกทำมากให้เขาดีคุณเจ้าก็เห็นใ้ความที่รอนของเขาเมินก็บอกว่าอย่างเดียวมีสปาเจ็บค่อข้อดีอะไรนะค่อยคุยกันใช่ไหมครับค่อยพูดธรรมะสูต่างๆก็ปรากฏว่าคนนั้นก็ก็ตือรือร้นนไม่ค็ไม่กระตือรื้นหรือ อยากใช้คำว่าอยากก็ได้มีความต้องการสูงก็ขออีกใช่ไหมครับพระเจ้าก็บอกแบบเดีวกันจนกระท่านพออ่านไปสามครั้งพระเจ้าบอกว่าเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเราบินสมาธเสร็จไปถึงตรงนั้นนะท่านก็ไปหาบาตรหาที่บอลมาหนึ่งจุดหัวให้เนี่ยสช่ไหมครก็ปรากฏมา แต่ก่อนที่จะไปหาบาดหายทีบอลมานนะครับพระพเจ้าบอกมาเนี่ยทนะ่านเนาะแบว่าตาที่เห็นระูปเนี่ยเป็นแต่ว่าท่านเห็นแล้วเนะี่ยตัดแต่ว่าเห็นได้มใช่ไ้มครับหรือหูที่ยินเสียงนะตัดแต่ว่าได้ยินได้ไหมเยอนะมากจะบุ๋มได้กลิน่นลิ้นได้รสเนนะี่ยตัดแต่ว่าได้กลิ่นได้รสเด้ไหมคือถ้าหากว่าท่านทําได้อย่างนี้ พรุเจ้าบอกงนี้นะฟังทาตรงเนี้ยนะผสมว่าด้วยประสบการณ์ของเขาเนี้ยใช่หฮะหูได้ยินคาว่าพระราหัตัวเองก็การเป็นอาราหันตไปเนาะเจอกันไหมหนึ่งนั้นอะไรเนี่ยเอกัไหมตายเห็นลูกเห็นูุทธเจ้าเองก็อยากเจอัไหะอยากเรรู้ธรรมเลยต่างนานาแบบนี้ตรงนี้ด้วยทําเทศของพระพุทธเจ้าต้องมีเองเลยว่าเป็นพพุทเจ้าบอกว่าตั้งมั่นที่เป็นสกิาคม เป็นพระอรหันต์ในระดับต้มที่มาทำดีแล้วก็พกอปรากฏว่าในระหว่างที่เขาไปหาบาตอานิบอดมาพระเจ้าจะบอกให้กระถูกวงวติดตายพระถุ่งวงติดตายนะรักเข้ามาในนาพระเจ้าบอกลาคนมาเชื่อที่เขาไปหาบาตอานที่บอดนะเขาถุกวงวติดตายแล้วพระเจ้าจะบอกอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขาเห็นเขาบรรลุบรรลุพระอรหันต์แล้วเดี๋ยวนะครับ เขาก็จะไปเกิดเป็นพพเป็นไปเกิดเป็นภพชาติที่เขาก็จะได้กลายเป็นเกาเรียกว่าได้รับผลพิษผาในภาที่สเลยซึ่งตจะเป็นก็คือเนี่ยใช้นิยมนว่าถ้าเกิดว่าเราหักคำว่าหักนี่คือตาเห็นลูกกลับมาดูทีใจเราแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าในขณะที่ตาเห็นลูกมันอาจจะมีความคิดอะไรเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยเราพอเรากลับมาดูที่ใจ เรียกว่าธรรมะที่เกิดขึ้นตรงนั้นก็คือปฏิกิริยาของการเห็นธรรมก็คือความที่เกิดจะดับงการสร้างเขาเรียกว่าการสร้างสังขานที่เรียกว่าเป็นการกตรงต่จะไม่เกิดขึ้นรรหรือถ้าเกิดขึ้นเราทำแบบนี้อีกก็จะดับลงเกิดขึ้นก็ดับลงเหมือนอย่างคนที่เขาเรียกว่าคนที่ปฏิบัติธรรม มันจะพูดอยู่เสมอๆนะบอกว่าทําไมปฏิบัติธรรมแล้วยังโมโหอีกก็ปฏิบัติธรรมแล้วทําไมยังฟุ้งอีกอย่างนีหรือว่าเข็ยนก็จะบอกนะบอกว่าน้ำผึ่งก่อนที่ฟุ้งเคยเห็นมาว่าเราฟุ้งเป็นไปได้หรือว่าที่เราโมโหเนี่ยเราโมโหเพราะเรารู้จักนั่นคือตรงนี้ สิ่งที่พอพวกเราเริ่มหักอย่ยนที่บอกเริ่มหักดูการที่เรื่องพอเราเริ่มหักดูนี่ไม่ต้องดีอย่างเลยนะครับเพียงแค่เราเริ่มทำเราจะได้ให้ผลจากทําทีเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยเราทําบ่อยครั้งเราได้ผลบ่อยครัเราทำหนึ่งครั้งเราก็ได้ผลนึั้งนั่นคือตรงเนี้ยนะครัาก็ชวนเราเขาเรียกว่าปีใหม่เะก็ตั้งโตัวใหม่ไป ตั้งตรงไหนกันแต่ว่าผมเขียบอกว่าเราจะ่ารอที่ใหม่เนาะเราเปลี่ยนหลงเป็นรู้ให้ชีวิตเรามันใหม่เปลี่ยนหลงเป็นรู้ให้ชีวิตเราเนี่ยมันหลอดทุกอยูทุกขณะดีกว่าหนังคือตัวเนี้ยนะเลือส่วนพวกเราจะไปทำกันเนาะมากันไม่กินคนจะมีคนใหม่ๆมาที่นั้เคยมที่เคยมาไม่เคยเหรอฮะนี่ไม่เคยนี่ก็ไม่เคยมาเคยเลเคยแล้วครับ คนที่เคยก็ลองลองนะรฮะเราอาศัยก็เรียกว่าอาศัยนวทางหลวงก็เทียนนะฮะเรามาใัยแนวทางหลงพ่อเทียงตรงนี้ยเมื่อการเครื่องใหม่เนาะเมื่อการเครื่องใหม่ให้ลองเอาดูว่าเใจเราเนี่ยมารับรู้การเครื่อใหม่ของกายทุกสารนะฮะเราลองดูตรงนี้จริงๆแล้วตามที่ไปผูดดองเตั้งใจจริงๆก็คือตั้งใจจะตามรอหลวงพ่อเทียนนะ ก็ได้ไปตามไปถึงวัดสีมุกดาลังสีมุกดาลาที่หลวพเทียนปปฏิบัติธรรมที่บอกว่าไปเป็นบารลุมสามวแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อเทียนเป็นปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อหมานิตย์ใจจริงๆอายุเท่ากันอายุเท่ากันกับหลวงพอเทีนแล้วก็หลวงพ่อหมานิตย์ก็เป็นติดกับหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานกับหลวงพ่อหมานิตย์ใจแล้วหลพเนก็อายุเท่ากันแต่ว่าเห็นกับว่าท่านว่าหลวงพ่อปาน มาเรียนมาเรียนปฏิบัติอย่างนี้จากวัน า, านมหาธาตุนะบ้มามหาธาตุดูเหมือนว่าที่หลวพ่อมาสึกหรงไมเรียนมาจากเนนพม่าหรือยก็หลวพ่อหลวพ่อมหาศาึกอยู่ที่ตอนอที่วัดสัตว์วที่วัด แล้วหลวงพ่อหมาป่าเป็นคนลาก็มาเรียนที่บัติธรรมท่ า, าได้ใช่ไหมพูดศาสนาในบ้านเราเขาเรียกว่าแขกกว่าลาตัวเนี้ยพอมาเรียนก็ชวนเพื่อนที่ชื่อหลวงพ่อหมาดีใจก็สอนให้หลวงพ่อหมาดีใจแล้วสองคนหลวงพ่อมหาต่าก็ ก, ก, กลับไปอยู่ฝั่งลาไปตัง้งวอดอยู่ฝั่งลาตรงข้ามกับ วัดลนสีลูกดารสีนึ้ก็พันี่หลวงอมาศีันที่อยู่ทีไทยลวก็มาตามที่อยู่ฝั่นาแล้วหลวงพ่อเทศจไปเรียนกับหลวงพ่อมาศีจันเป็นรูปแบบเป็นลูกแบบแต่ว่าในเ้าเรียกว่าในรายละเอียดก็าไปอย่างวันนี้วัดลานสีลูกดาร็จยกชา จะยกช้ามากเลยแล้วก็แค่คิว่ายังมียังมีบริกรรยังมีบริการเป็นหวเป็นนิ่งเป็นไหวแต่หลวงพเอเทียนี้ไม่บริการหลวเทนกต่างบริการนี้พระหลงพ่อว่าถ้าบริการใจมันจะมีกับบริการใจมันจะไม่ได้กับบริการอีกอยตรงนี้หลวพอเทยนกอย่อของมีลูกติษหลวดเข้ามาศิษย์งยังเหลืออยู่ก็มีวัด ที่วรดขาช้นาาอยู่ตรงแถวๆซีฉันหมานก็รับนุสิตปีคนสองคนก็จะใช้ทุกปีเก็บอารมณ์จะเก็บอารมณ์เป็นปีๆเป็นเลยนะครับบอกว่าถ้าใครมาปฏิบัติกับหนูงพ่อก็คือเงินกับใหย ถ้เป็นโยมเป็นเสื้อผ้าเราจะตแต่วาหมาถึงให้ปฏิบัติก็ปฏิบัติแล้วแต่รูปแบบจะเดินจมครบก็ได้จะยกคือสร้างสมาวก็ได้แต่ว่าอย่างที่พี่พูดว่ารูปแบบที่พวเราเรียนกันก็คือที่หลวงพ่อเทียนได้ยังไนกับได้ขัดกล้ามได้ขัดเปล่าเอาสิ่งที่หลวงพ่อเทียนมองเห็นว่าอ่าก็เรียกว่ามันมันยุ่งยากมันออกไป แต่สิ่งที่เรียกว่ามันเป็นที่หลวงพ่อเทียนบอกว่ามันเป็นทางรับขนะ้านั่นนั่นคือตรงนี้คว่าเวลาที่พกเรายกมือสร้างสัตรงนะนี้หวงพ่อเทียนก็จะบอกว่าไม่ไม่ต้องชา้าไม่ต้องเร็ ว, นะ จ, วจะนีตื่นแต่ว่าทำให้เป็นจังหวามีจังห่ะเคลื่อนมีจังหวะคนใหม่ล อ, นะ อ, องดูนะมอกลางหรือบนเท้า ดูเนะมืออยู่บนข่าดูนะใช่ไหมเคยมีไหมเพื่อนสกิจมันไม่รู้ตัวไม่มีเหรอจริงหรือเปล่าหนูชอบเคยนเพื่อนสุรกิจหลายๆที่ไม่รู้ตัวสุดป้าสุดตกลาเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าถ้าหากว่าใจลอยเนี่ยบางทีเราก็ทำอะไรแบบไม่รู้ตัวแต่นี่ยังเราตั้งใจที่จะรู้ ติ๊กมือขาะแคงขึ้นรู้ไหมครับมือขวาตะแคงูนะดูนดนะรู้รู้เพราะว่าเพราะว่าจังหวบเนี้ยกรลังตั้งใจยกขึ้นดูความรู้ตรงเนี้ยมันไม่ป็นความรู้ที่ยากนะนะติ๊กมือากะแงขึ้นยกขึ้นตบมือขวาเล่นอนมือขวาขึ้นกระว่องข้างคล่ ฝัเรื่อมือตายนเจ้วบอกตองต่างขามือขาวงหลอันนี้อันนี้จบท่าเราเริ่มข้มาด้วยกันี่อามือวาวขารู้สึกรู้สึกคําที่เห็นรู้สึกไม่ง่ยเกรแต่ว่าความรู้สึกตรงนี้ที่เกิดขึ้นเพราะว่าใจเราไม่หลอดไปไหนนาซึ่งมีปาร์ตี้ยกขึ้นอ่ะังนี้ ยกมือซ้ายใ่แขนสีเลี้ยวขึ้นนั่มาถูกท้องเดมือขวเลี้ยวออกข้างวางลง